โสตาปฏิสังยุตต์ประมวลเรื่องการที่จะเป็นพระโสดาบันคือพระอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นชั้นแรกในสี่ชั้นว่าด้วยพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ว่าอิสุทั้งหลายพระเจ้าจั ก, กรพรรดิทรงครองราชเป็นอิสราธิปดีแห่งทวีปทั้งสี่ หลังจากเสด็จสวรรคตแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดาวดึงเท้าเธอทรงแวดล้อมด้วยหมูนางอักษรเรียบร้อมบำเรอตนด้วยการมาคุณห้าประการที่เป็นทิพสําราญพระไทยในสวนนันทวันที่พบดาวดึงนั้นเท้าเธอไม่ทรงประกอบด้วยธรรมสี่ประการแม้ก็จริงถึงอย่างนั้น ก็ไม่ส่งผลจากนารกไม่ส่งผลจากกาเนิดสัติรัชฌานไม่ส่งผลจากภูมิแห่งเปรตและไม่ส่งผลจากอบายทุขติวินิบาทไปได้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเลี้ยงอัตภาพด้วยอาหารที่สแสวงหามาได้ด้วยลาแข้งนุงห่มผ้าที่เศร้าหมองเธอประกอบด้วยธรรมะสี่ประการแม้ก็จริง ถึงอย่างนั้นก็พ้นจากนารกพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพ้นจากภูมิแห่งเปรตพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตไปได้ธรรมะสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต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 หมายถึงศีลที่ประกอบด้วยมรรคและผลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงําเป็นไปเพื่อสมาธิหมายเหตุผู้อ่านสําหรับธรรมมาสามประการแรกความจริงก็คือบทสวดอิติปิโสที่คนไทยส่วนมากสวดกันเป็นประจำนะครับแต่หลายคน สวดแบบแปลไม่ออกการสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเข้าใจมีอนิสงส์มากมายนะครับดังนั้นจึงขอฝากไว้ด้วยว่าก่อนจะสวดมนต์ทุกครั้งต้องสวดด้วยการเข้าใจต้องแปลออกสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับแนะนำว่าให้สวดเฉพาะภาษาไทยล้วนเลยก็ได้ลองเปรียบเทียบดูนะครับสวดบาลีคาแปลไทยคาสวดบาลีล้วน และลองสวดเฉพาะภาษาไทยล้วนจะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นในทางจิตความเข้าใจความปลื้มปิติการมีศรัทธาด้วยปัญญาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลธรรมะสี่ประการนี้ที่จะทำให้พ้นจากอบายภูมิภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้ เป็นโซดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพทิในวันข้างหน้าเพราะผู้มีพระภาคผู้สุข ส, สดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทนี้แล้วจึงได้ตรัสตถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมะชนเหล่านั้นย่อมประสบสุข อันอยังลงสู่พรหมจรรย์ตลอดการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หนกรุ่มราชครษสมัยนั้นอุบาสกชื่อถีขาวุป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักจึงได้ขอร้องโชติยะผู้เป็นบิดาให้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์สะเสด็จมาเยี่ยม พระผู้มีพระภาคทรงเสด็จมาเยี่ยมที่คาวุถามถึงอาการก็ได้รับคําตอบว่าไม่สบายหนักมากมีทุกขเวทนากล้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าที่ขาวุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสําเหนียกว่าเราจะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ จกประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไปเพื่อสมาธิทีคาวุท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แหละีิคาวุทูลว่าองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการใดที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ธรรมะคือองค์แห่งเครื่องบรรลุโสดาเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็เห็นธรรมเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นท่านพึงตั้งอยู่ในองค์เครื่องบรรลุโสดา4ีประการนี้แล้วเจริญธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิ ช, ชาหกประการให้ยิ่งขึ้นไปว่าที่เขาในเรื่องนี้ท่านจงพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ มีความหมายรู้ในสิ่งที่เป็นภุก์ว่าเป็นอนัตตามีความหมายรู้ในการละมีความหมายรู้ในการคลายออกได้มีความหมายรู้ในความดับที่ขาวุท่านพึงสำเนีกอย่างนี้แลครั้นพระผู้มีพระภาตรสอนที่คาวุอุบาสกด้วยพระโอวาทนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะจากไป เมื่อส่งจากไปไม่นานีิคาวุอุบาสกก็ได้ถึงแก่กรรมต่อมาภิกษุหลายรูปพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามว่าีิคาวุอุบาสกที่พระองค์ตรัสสอนด้วยพระโอวาทโดยย่อได้ถึงแก่กรรมแล้วนั้นคติของเขาเป็นอย่างไรอภิสัมภรยยาภพคือหลังจากตายแล้วเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าทีฆาวุอุบาสกเป็นบัณฑิตพูดความจริงถูกต้องตามธรรมทั้งไม่เบียดเบียนเราเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายเพราะโอรัมพาคิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปทีฆาวุอุบาสกจึงเป็นอบปฏิกะเปริณิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก ข้อนี้หมายถึงบรรลุเป็นพระอนาคามีเกิดเป็นอปฏิกะในชั้นสุดทธาวาสและจะปรินิพพานในภพนั้นว่าด้วยพระสาวรีบุตรสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์ถามเรื่องนี้กับท่านพระสาวรีบุตรว่าเพราะประกอบด้วยธรรมะเท่าไหร่ราผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรหมู่สัตว์นี้ว่า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 พราะประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณหมู่สัตว์นี้ว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าสารีบุตรที่เรียกว่าองค์เครื่องบรรลุโซดา องคเครื่องบรรลุโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัพพุริสังเสว่าการคบหาสัตบุรุษสัตรธรรมสาวนาะการฟังพระสัตรธรรมโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยกคายธรรมานุธรรมะปฏิปฏัติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แต่ละข้อนั้นเป็นองค์เครื่องบรรลุโซดาพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองคำของท่านสารีบุตรจากนั้นตรัสถามว่าสาวรีบุตรที่เรียกว่าโซดาโซดาเป็นอย่างไรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยมรรคมีองค์แปดคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินั้น มิลาเป็นโสดาสารีบุตรที่เรียกว่าผู้บรรลุโซดาคือใครทูลตอบว่าผู้ใดประกอบด้วยอริยามรรคมิองแปดผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโซดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสรับรองคำของท่านพระสารีบุตร ด้วยข้อความเหมือนกันทุกประการว่าด้วยช่างหมายเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยหนึ่งช่างหมายชื่ออิสิทธตตะและปุราณะเข้าเฝ้ากราบทูลดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาค จากเสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถีไปตามเมืองต่างๆในแคว้นโกสลเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจะห่างเราทั้งหลายไปและเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวว่า <downhill> จ <ynn> <uk> ักเสด็จจาริกจากแคว้นโกสลไปยังแคว้นมัลละจักเสด็จจากแคว้นมัลละไปยังแคว้นวัชีจากเสด็จจาริกจากแคว้นวัชี ไปแควนกาสีจากเสด็จจาริบจากแควนกาสีไปแควนมคตในการเสด็จแต่ละครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจากห่างเราทั้งหลายไปแต่เมื่อใดที่ได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคจากเสด็จจากแควนมคตมาแขวนกาสีจากแควนกาสีมาแควนวัชีจากแควนวัชี มาแควนมันละจากแควนมันละมาแควนโกศลจากเสด็จเจ้าริกจากมืองต่างๆในแควนโกศลมากรุงสา ว, วัตถีในการเสด็จแต่ละครั้งนั้นเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวก็เกิดความปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจากอยู่ใกล้ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวว่าประทับอยู่ณพระเจตาวัน อารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเกตกรุ่งสาวัตถีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็บลื้มใจและดีใจมากว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าช่างหมายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นการอยู่รองเรือนในโลกนี้ครับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาคือการบวชนั้น หลอดโปรง่งท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยพระผู้มีพระภาตรัสถามว่าชรางไม้ทั้งหลายความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและที่นับว่าเป็นความคับแคบกว่าความคับแคบของท่านทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรทูลตอบว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาลเมื่อใดประจาประเสนที่โกศล มีพระราชประสงค์จะเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายต้องกำหนดช้างทรงของพระเจ้าระเสนที่โกศลแล้วทูลเชิญให้พระชายาทั้งหลายซึ่งเป็นที่เสนหาโปรดปรานของพระเจ้าระเสนที่โกศลประทับนั่งเบื้องหน้าพระพักพระองค์หนึ่งเบื้องพระกลิสดางพระองค์หนึ่งกลิ่นของพระชายาเหล่านั้นเปรียบเหมือนกลิ่นของนางราชกัญญา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 แต่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้สึกว่าจะให้ความคิดเ็วๆเกิดขึ้นในพระชายาเหล่านั้นได้เลยนี้แหละคือความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและที่นับว่าเป็นความคับแคบกว่าความคับแคบนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าช่างหมายทั้งหลายเพราะเหตุนั้น การอยู่ครองเรือนในโลกนี้จึงขับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีโซนบรรพชาหลอดโปรงท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าธรรมะสี่ประการนั้นคืออริยาสาวกในธรรมะวินัยนี้ ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์มีใจปราศจากความโรหนีอันเป็นมนทินมีจากะคอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มเย็นยินดีในการสลับควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่กรองเรือนทั้งไม้ทั้งหลาย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 ทั้งไมยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดีแล้วที่พระผู้มีพระภาคทรงทราบชัดอย่างนี้ว่าด้วยพราหมณ์และกะหาบดีชาวเวลุทวารคามสมัยหนึ่งพราหมณ์และกะหาบดีชาวเวลุทวารคาม ข้าวเฝ้ากราบทูลขอให้ทรงแสดงธรรมถึงวิธีปฏิบัติของคาวรวาสผู้อยู่กรองเรือนมีครอบครัวมีบุตรอย่างใช้ของหอมยินดีเงินและทองทำอย่างไรหลังจะตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องธรรมะบรรยายที่ควรน้อมเข้ามาในตนธรรมะบัญญายที่ควร น, น้อมเข้ามาในตนเป็นอย่างไร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 จักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยกล่าวสันเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยกายสมาจาร์นี้ของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้และโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงถือเอาสิ่งของของเรา ที่เราไม่ให้ด้วยอาการขโมยนั้นข้อที่บุคคลพึงประพฤติล่วงพัญญาของเราข้อนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราอันหนึ่งข้อที่เราพึงกระทำกับผู้อื่นเช่นนั้นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจแม้ของผู้อื่นอริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกาม รัชวนผู้อื่นให้งดเว้นกล่าวสรนเสริญการงดเว้นการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมกายสมจจานี้ของอริยะสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้อีกประการหนึ่งอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าข้อที่บุคคลพึงทําลายประโยชน์ของเราด้วยการพูดเท็จ ข้อที่บุคคลพึงยุยงเราให้แตกจากมิตรด้วยการพูดส่อเสียดข้อที่บุคคลพึงพูดกับเราด้วยคำหยาบข้อที่บุคคลพึงพูดกับเราด้วยการพูดเพอเจ้อไร้ประโยชน์นั้นแต่ลับประการนั้นไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราหากเราทำสิ่งเหล่านั้นกับผู้อื่นก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นเช่นเดียวกัน อริยสาวกนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อจักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากสิ่งเหล่านั้นกล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากสิ่งเหล่านั้นว่าจีสมาจารณี้ของอริยสาวกนั้นยอมบริสุทธ์ทั้งสามส่วนดังที่กล่าวมานี้อีกประการหนึ่ง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 เป็นพระอริยะตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระอารหาันนั้นและประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยท่านผู้รู้สัรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงําเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อใดอริยสาวกประกอบด้วยสัจธรรมเจ็ดประการนี้ด้วยฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความหวังสี่ประการนี้ เมื่อนั้นอริยาสาวกนั้นเมื่อหวังพึงพยากรณ์ตนเองว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสติรชานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า เมื่อพระผู้มีพระภาตรัสอย่างนี้แล้วพรามและกหาบดีชาวเวลุทวารคามได้กราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธ์ประกาศตนขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตนหนักอิดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณพระตหนักอิฐในหมู่บ้านยาติกก์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าเฝ้ากราบทูลถามเรื่องที่ว่าสาระหะภิกษุนันทาภิกษุณีสุทัตะอุบาสกและสุชาดาอุบาสิกาแต่ละท่านนั้นมรณภาพและถึงแก่กรรมแล้วคติเป็นอย่างไรอภิสัมปรายาพบเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ซาละหะภิกษุมรณภาพแล้วทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนันทาภิกษุณีมรณภาพแล้วไปเกิดเป็นอบปฏิกะเริณิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก รโอรัมภิกยสังโยศห้าประการสิ้นไปคือสำเร็จเป็นพระอนาคามีสุทตะอุบาสกถึงแก่กรรมแล้วได้เป็นพระสกท า, าคามีเพราสังโยศสามประการสิ้นไปและบรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางได้มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้ส่วนสุชาดาอุบาสิกา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 เพราะฉะนั้นเราจะแสดงธรรมะบรรยายชื่อธรรมาธาตุซึ่งแปลว่าแว่นส่องธรรมที่พระอริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็พึงพยากรตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสติรชานมีภูมิแห่งเปรตมีอบายทุขติและวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่า มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าธรรมบัญญายชื่อธรรมธาตุนี้คืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นศ า, าน ส, สดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์และประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไปเพื่อสมาธิสำหรับความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นพึงแจกแจงตามบทพุทธคุณธรรมคุณและสังฆ ค, คุณนะครับอานนน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 ว่าด้วยข้อบัญญัติของพรามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติอุทยาคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความเจริญพวกเขาย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เดินใบหน้าไปทางทิศปราจีนอย่าหลีกบ่อเหวต่อที่มีน้าหลุมโโโคูดบ่อโโกรกท่านตกลงไปในที่ใดก็พึงรอความตายในที่นั้นแลด้วยอุบายอย่างนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิสษุทั้งหลายข้อบัญญัติของพราามเหล่านั้นเป็นทางไปของคนโง่เป็นทางไปของคนหลง ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานส่วนในอริยวินัยเราบัญญัติอุทยาคามินีปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน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 คืออุทยาคามินิปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานและโดยในยะเดียวกันอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้ยอมพ้นภัยคือทุกขติทั้งปวงและวินิบาต ท, ทั้งปวง พิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมมาตญาสาโลหิตก็ตามให้ความสําคัญคําที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมัน่นให้ดํารงอยู่ในองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้คือหนึ่งเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมัน่น ให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีประภาพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นภิกษุทั้งหลายมหาพุทธรูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาจกลายเป็นอย่างอื่นได้แต่อริยสาวก ผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไม่พึงปราเป็นอย่างอื่นได้เลยในเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปราเป็นอย่างอื่นคือเป็นไปไม่ได้เลยที่อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าจะไปเกิดในนรกกำเนิดสัตยิรฉานหรือภูมิแห่งเปรต และโดยในยะเดียวกันเธอทั้งหลายพึงชักชวนให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระอริยสงฆ์พึงชักชวนให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไปเพื่อสมาธิมหาพูตรูปสี่คือธาตุทั้งสี่นั้นอาจกลายเป็นอย่างอื่นได้ แต่อริยะสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจไม่พึงแปรเป็นอย่างอื่นได้เลยในเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการ น, นี้จะไปเกิดในนรกกำเนิดสัตยรัฉานหรือภูมิแห่งเปรตเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์ มิดอมาตญาสาโลหิตให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงจักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมัน่นให้ดำรงอยู่ในองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประกาศนี้ว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสมัยหนึ่งอันพระมหาโมคลานะได้หายตัวจากพระเชตวัน ไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาววดึงแล้วกล่าวกับเทพเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นความดีและเป็นเหตุให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์การประกอบด้วยศีล ที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดีเป็นเหตุให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจะตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และโดยนัยเดียวกันสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมะทั้งสี่ประการนั้นจึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะสมัยหนึ่งพระผู้มิพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครทารามเขตกรุงกบิลพัทแควนสักกลครั้งนั้นเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าเฝ้า กราบทูลดังนี้ว่ากรุงกบิลพั์นี้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีถนนขับแคบหม่อมชั้นนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคหรือภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจเวลาเย็นเข้าไปยังกรุงกบิลพัทพบเห็นช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างเวียนบ้างผู้คนบ้างที่พลุ ก, กล้านกวักไขวสมัยนั้น หม่อมชั้นลืมสติปรารบพราผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์หม่อมชั้นคิดว่าหากเราถึงแก่กรรมในเวลานี้กติของเราจะเป็นอย่างไรอภิสัมป ร, รายพบจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบวาพิษการสวรรคตของพระองค์จะไม่เลวซามาการลกภิริยาก็จักไม่เลวซาม มหาบุพิตจิตของผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้เจริญด้วยศรัทธาที่ได้เจริญด้วยศีลที่ได้เจริญด้วยสุตตะที่ได้เจริญด้วยจาคกะและที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานานกายนี้ของผู้นั้นคุมกันเป็นรูปร่างที่ประกอบขึ้นจากมหาภูตอรูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญไวเพราะข้าวสุกและขนมสด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 เปรียบเหมือนบุรุษดำลงในห้วงน้ําลึกแล้วทุกหม้อเนอยใสหรือหม้อน้ํามันกอนกรวดหรือกระเบื้องหม้อนั้นพึงจมลงส่วนเนยใสหรือน้ํามันในหม้อนั้นพึงลอยขึ้นเหนือน้ําข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจิตของพระองค์ที่ได้เจริญด้วยศรัทธาที่ได้เจริญด้วยปัญญาเป็นต้นนั้นมาเป็นเวลานานก็ฉันนั้นเหมือนกันอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิษ การสวรรคตของพระองค์จะไม่เลวซามการลกิริยาก็จะไม่เลวซ้ำมหาบาพิตรอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานธรรมะสี่ประการอะไรบ้างคืออริยาสาวกในธรรมาวิไนน์นี้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเปรียบเหมือนต้นไม้ที่โน้มไปทางทิศปราจีนโน้มโอนไปทางทิศปราจีนต้นไม้นั้นเมื่อถูกตัดโคนย่อมล้มไปทางทิศปราจีนนั้นอุปมานี้ฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นเหมือนกัน อริยส า, าวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้ย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานว่าด้วยเจ้าสกายะพระนามวาสรารนามิสมัยหนึ่งเจ้าสกายะพระนามวาสรารนานิสวรรคตแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเท้าเธอเป็นโซดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าครั้งนั้นเจ้าสักยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตำหนิประนามโพนทนาว่าใครเล่าในที่นี้จึงไม่เป็นพระโซดาบันเพอะเจ้าสรณ า, านิสักยะสวรรคคตแล้วพระผู้มีพระภาค ได้ท่งพยากรเท้าเธอว่าเป็นโสดาบันแต่เจ้าสรณานิสักยะนั้นถึงความท้อแท้ในสิกขาสวยน้ำจันทร์ครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะจึงเสด็จเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราพรบพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษอุบาสก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 ผู้ทรงถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นเรณะตลอดกาลนานพระองค์จะถึงความตกต่ําได้อย่างไรมหาบพิษบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มีหาสปัญญาคือปัญญาเร่าเริงมีชวนะปัญญาคือปัญญาลั่นไปและถึงพร้อมด้วยวิมุติ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 ระสงค์มีหาสปัญญามีชาวนะปัญญาแต่ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติเขาจึงเป็นอกปัติกะพระโอรัมภาคิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปจากแปอรินิพาในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกข้อนี้คือการบรรลุอนาคามีแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุคติ และวินิบาตบุคคลประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชาวณปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตเขาจึงเป็นพระสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้เรอกสังโยสมประการสิ้นไป ระบรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางได้แม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกสติรชานเปรตอบายภูมิอบายทุกติและวินิบาตบุคคลประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีสาวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุต เขาจึงเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสโัโคธิในวันข้างหน้าเพราะสังโยตสามประการสิ้นไปแม้บุคคลนี้ก็พ้นจำนรกกำเนิดสัติรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุ ก, กติและวินิบาตบุคคลไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรม ในประสงค์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชาวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์แต่เขามีธรรมะเหล่านี้คืออินทรีย์าประการได้แก่สัตทินทรี ย, ยญญวิริยินทรีสัตตินทรียสมาทินทรียและปัญิทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา และธรรมะทั้งหลายที่ตถาคตรประกาศแล้วยอมควรแก่การพิจารณาด้วยปัญญาโดยประมาณแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตยรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาตบุคคลไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญา ไม่มีชาวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่เขามีธรรมะเหล่านี้คืออินทรีห้าประการได้แก่สัจทินทร์จนถึงปัญญินทร์นั้นและเขามีศรัทธาพอประมาณความรักพอประมาณในพระตถาคตแม้บุคคลเหล่านี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัติรชานภูมิแห่งเปรตอบายทุกติและวินิบาต มหาบพิษแม้หากต้นสาละใหญ่เหล่านี้พึงรู้จักคำสุภาษิตคำทุกภาษิตอัตมาภาพก็จะพยากรณ์ต้นสาระใหญ่เหล่านี้ว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโภธิในวันข้างหน้าไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงเจ้าสรารณานิศักยะเลยเพราะเจ้าสรารณานิศักยะ ได้สมทานสิกษาบทในเวลาจะสวรคตมหาบพิษเปรียบเหมือนน้ไม่ดีพื้นดินเสียไม่ได้ถอนต่อพืชก็หักเน่าเสียถูกลมและแดดทำลายไม่มีแกนสารเก็บไว้ไม่ดีถึงฝนก็ตกลงมาไม่ดีพืชเหล่านั้นย่อมเจริญงอกงามเติบโตไม่ได้อุปมาณนี้ฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้น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 เปรียบเหมือนพืชหรือมเมล็ดพันธุ์นั้นไม่ดีมหาบพิษเปรียบเหมือนนาดีพื้นดินดีถอนต่อแล้วพืชคือมเมล็ดพันธุ์ไม่หักไม่เน่าเสียไม่ถูกลมและแดดทําลายมีกันสารเก็บไว้ดีผลก็ตกลงมาดีมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นย่อมเจริญงอกงามเติบโตได้อุปมาณ้ฉันใด ปุปมาัยก็ฉันนั้นธรรมะในศาสนานี้ที่กล่าวดีประกาศดีนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศอตมาภาพกล่าวถึงเรื่องนี้เปรียบเหมือนพระนาดีและสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมในธรรมนั้นอยู่ อาตมาภาพกล่าวถึงเรื่องนี้เปรียบเหมือนพืชหรือมเมล็ดพันธุ์นั้นดีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเจ้าสราร น, านิสักยะเลยเพราะเจ้าสราร น, านิสักยะได้ทรงบำเพ็ญศีกขาให้บริบูรณ์ในเวลาจะสวรรคต ว่าด้วยอนาถบินธิกะขหะบดีสมัยหนึ่งท่านอนาถบินธิกะขหะบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักจึงสั่งให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรได้โปรดอนุเคราะห์ไปเยี่ยมครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรเดินทางไปเยี่ยมและถามถึงอาการก็ได้ทราบว่าไม่สบายมากมีทุกขเวทนาก้า ท่านพระสาวรีบุตรจึงกล่าวว่าขหาบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาพพระองค์นั้น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 เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเป็นต้นนั้นก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงน์นั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลันอุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีนเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรก ความเป็นผู้ทุศีลเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีศีลที่พระอริยชอบใจไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นศีลที่พระอริยชอบใจนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลันผู้ถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเช่นใด หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายมิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเมื่อพิจารณาเห็นสัมมาทิฏฐินั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพันและโดยในยะเดียวกันอุทุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาสังกัปปะเช่นใดประกอบด้วยมิจฉาวาจาเช่นใด ประกอบด้วยมิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณนะมิจฉาวิมุตเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาแต่ละประการนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเมื่อท่านพิจารณา เห็นอริยามากมีองค์แปดแต่ละประกาศนั้นว่ามีอยู่ในตนเห็นสัมมาวิมุตินั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลันขณะนั้นเวทนาของท่านอนาถบินธิกะขหาบดีได้สงบระงับไปโดยพลันท่านอนาถบินทิกะขหาบดีอังฆ่าท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท ด้วยอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับตนแล้วจึงเลือกนั่งนาทีสมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ํากว่าเมื่อท่านพระสารีบุรฉันเสร็จวางมือจากบาดแล้วจึงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดมีศรัทธาในพระตราคตตั้งมั่นไม่หวันว่นไหวมีศีลอันงามที่พระอริยะชอบใจและสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์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 หมายถึงเห็นว่าพระขีณาศพไม่มีความโคตทางกายเป็นต้นความเลื่อมใสหมายถึงเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยการเห็นธรรมคือธรรมะในที่นี้หมายถึงเห็นสัจธรรมคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้แล้วก็ลุกจากอาสนะจากไป ต่อมาท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ซารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากได้จำแนกองค์เครื่องบรรลุโสดาดด้วยอาการสิบอย่างอีกครั้งหนึ่งท่านอนาถบิณฑิกะขะพอดีป่วยเป็นไข้หนัก จึงให้คนไปนิมนต์พระอานน์ให้โปรดอนุเคราะห์มาเยี่ยมท่านพระอานน์รับนิมนต์แล้วเมื่อถามถึงอาการแล้วทราบว่าไม่สบายเป็นไข้หนักจึงกล่าวดังนี้ว่าขหบดีอุทุชนผู้ไม่ได้สะดับประกอบด้วยธรรมะสี่ประการยอมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า ธรมรมะสี่ประการนั้นคือผุทุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่ในตนยอมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรมประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ประกอบด้วยความทุศีน ก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระธรรมในพระสงฆ์ในความทุศีนนั้นว่ามีอยู่ในตนยอมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้ยอมไม่สะดุ้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าธรรมะสี่ประการนั้นคือ พระอริยะสาวกผู้ได้สดับในพระธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศียที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในศียที่มีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุง้ง ไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าครั้งนั้นท่านอนาถบิธิกะก็หาวดีกล่าวว่าท่านพระอาหนทนผู้เจริญผมไม่กลัวเพราะผมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์สิกขาบทเหล่าใดซึ่งสมควรแก่ข้ารือหัสที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว ผมยังไม่เห็นสิกขาบทเหล่านั้นในตนสักข้อว่าขาดไปท่านพระอาหนนกล่าวว่าเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วโตดาปฏิผลท่านทำให้แจ้งแล้วว่าด้วยอริยสาวกระงับไหเวนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านอนาถะบิณฑิกะขหาบดีดังนี้ว่าขหาบดีเมื่อใดอริยาสาวกประงับไฮเวนห้าประการได้แล้วประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการและเห็นแจ้งแทงตลอดอริยยะธรรมด้วยปัญญาแล้วอริยยะธรรมหมายถึงมรรคมรทั้งวิปัสสนาเมื่อนั้น อริยาสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่าเรามีนรกกำเนิดสัตว์ยรชานภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุกติวินิบาสสิ้นแล้วเป็นโซดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าอริยาสาวก ระงับภัยเวรห้าประการอะไรบ้างคือบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสัมภาระาพบบ้างตัวทุกโทมานต์ทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นขาจัดการฆ่าสัตว์แล้วย่อมระงับภัยเวร น, นั้นได้อย่างนี้และโดยในยะเดียวกัน บุคคลผู้ลักทรัพย์ผู้ประพฤติผิดในกามผู้พูดเท็จผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสัมปาระย์พบบ้างเสวยทุกทมนัตทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเสพของมึนเมา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 เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประกาศนี้อริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาธรรมด้วยปัญญา คืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ม น, น่าสิการโดยแยกขายด้วยดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือเมื่อเหตุมีอวิชชาเป็นต้นนี้มีผลคือมีสังขารเป็นต้นนี้จึงมีเพราะสหาชาตาปัจจัยนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับ คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้เพราะอวิชชาดับไปม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเป็นต้นนั้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้ อริยาสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยยธรรมด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แหละเมื่อใดอริยาสาวกระงับภัยเวรห้าประการนี้ประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้และเห็นแจ้งแทงตลอดอริยยธรรมด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นอริยาสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ถึงพยากรณตนเองได้ว่า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 ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิอัหนึ่งอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอายุทัท้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยวันนะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ เป็นผู้ประกอบด้วยสุขทั้งที่เป็นทริ์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยยศทั้งที่เป็นทริ์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นใหญ่ทั้งที่เป็นทริ์ทั้งที่เป็นของมนุษย์นันทกะก็เราได้ฟังสมณะหรือพรามอื่นจึงกล่าวเรื่องนั้นหามิได้แต่เรารู้เองเห็นเองทราบเองจึงกล่าวเรื่องนั้น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 ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหรันตรัดสรู้เองโดยชอบเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นนี้เป็นห่วงบุญกุศลนาสุขมาให้ประการที่หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นต้นนั้นนี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สองประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นพระอริยะตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระอาหารหันต์เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเป็นต้นนั้นนี้เป็นห่วงบุญกุศลนาสุขมาให้ประการที่สาม ประกอบด้วยเสียงที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธินี่เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่ทสี่ภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สี่ประการนี้แลอีกนัยยะหนึ่งห่วงบุญกุศลสี่ประการนั้นคืออริยะสาวกในธรรมวินัยนี้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 นี้เป็นห่วงบุญคุศลนํำสุขมาให้ว่าด้วยเทวบทเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวบทคือข้อปฏิบัติของเทพเทวบทของเทพทั้งหลายสี่ประการนี้เทพในที่นี้ หมายถึงบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติพลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตพน์ไม่ได้มาถึงเทวดาทั่วไปนะครับเทวบทของเทพทั้งหลายสี่ประการนี้ยอมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วเทวบทสี่ประการ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 ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาดังนี้ว่าอะไรหนอเป็นเทวบทของเทพทั้งหลายเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราได้ยินในบัดนี้ว่าเทพทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งเราก็มิได้เบียดเบียนใครๆไม่ว่าผู้สะดุ้งหรือมั่นคงเราเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ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 อริยสาวกนั้นพิจารณาดังนี้ว่าอะไรนอเป็นเทวบทของเทพทั้งหลายเกอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราได้ยินในบัดนี้ว่าเทพทั้งหลายมีความไม่เบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งเราก็มิได้เบียดเบียนใครๆเราเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะคือเทวบทอยู่แน่แท้นี้เป็นเทวบทของเทพทั้งหลายยอมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์ เพื่อความผ่องแพ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแพ้วว่าด้วยผู้มีธรรมะมาสู่เทวสภาคือที่ประชุมของเทพภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหลายปลื้มใจกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการซึ่งมาในที่ประชุมของเทพธรรมะสี่ประการ คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัรสรู้เองโดยชอบเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นเทพทั้งหลายผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าจติจะพบนี้แล้วไปเกิดในภพนั้นคิดว่า พวกเราประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวเช่นใดในพระพุทธเจ้าจึงจุดติจะพบนั้นแล้วมาเกิดในที่นี้แม่อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวเช่นนั้นในพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดในสำนักเทพทั้งหลายได้รับคำเชื้อเชิญต้อนรับอย่างดีและโดยในยาเดียวกัน ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไวในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสมัยหนึ่งเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าเฝ้าทูลถามเรื่องนี้ว่า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 ตรัสว่าอุบาสกเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการพูดเท็จเสพของมืนเมาด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอุบาสกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยเหตุเพียงเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจากะ อุบาสกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากความตรนีอันเป็นมนทินมีจาขะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่กรองเรือนด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจา่าคะด้วยเหตุเพียงเท่าไร่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 ว่าด้วยอุปมาด้วยฝนตกภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนยอดภูเขาน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทาซอกเขาลาธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลาธารและห้วยเต็มแล้วทำหนองให้เต็มเมื่อหนองเต็มแล้วทำบึงให้เต็มเมื่อบึงเต็มแล้วทำแม่น้ำน้อยให้เต็ม แม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำอาหาสมุรให้เต็มแม้ฉันใดธรรมะเหล่านี้ของอริยาสาวกคือความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และศีลที่พระอริยชอบใจไหลไปถึงฝั่งแล้วยอมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 อริยาสาวกเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทและอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยวิธีใดท่านจงฟังจงใส่ใจวิธีนั้นให้ดีเราจะกล่าวอริยาสาวกผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาพระองค์นั้น เป็นอรหันตรัสรู้เองโดยชอบเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นอริยาสาวกพอใจด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันวหวในพระพุทธเจ้านั้นไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสั ง, งัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยาสาวกเป็นผู้ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีปราโมทเมื่อไม่มีปราโมตก็ไม่มีปิติ เมื่อไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสติเมื่อไม่มีปัสสติก็อยู่เป็นทุกข์จิตของผู้มีทุกข์ยอมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นธรรมะทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้และโดยในยะเดียวกัน ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหวยในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิแต่ไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อหลีกเล้นในกลางคืนเมื่ออริยะสาวกเป็นผู้ประมาทอยู่อย่างนี้ย่อมไม่มีปราโมทไม่มีปีติปสัสสติอยู่เป็นทุกข์ จิตของผู้เป็นทุกข์ยอมไม่ตังมันเมื่อจิตไม่ตังมันธรรมะทั้งหลายก็ไม่ปรากฏจึงนับว่าเป็นผู้อยู่โดยความประมาทโดยแท้ส่วนอริยาสาวกผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิอริยะสาวกนั้นไม่พอใจแค่ความเลื่อมใสและศีล น, นั้นพยายามให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อหลีกเร้นในกลางคืนเมื่ออริยะสาวกเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนี้ปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทมเกิดแล้วปิติย่อมเกิด เมื่อใจมีปีติกายย่อมระงับผู้มีกายระงับย่อมสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นธรรมะทั้งหลายก็ปรากฏเพราะธรรมะทั้งหลายปรากฏจึงนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแท้นันทิยะอริยส า, าวกผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างนี้แล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 ผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศลสี่ประการก็นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยชั้นนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคตรัสคถาประพันธ์นี้ว่าแม่น้ำหลายสายขับขั่งไปด้วยหมู่ปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมชันใดสายทานแห่งบุญ ยอมหลั่งไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณดิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉันนั้นผู้ใดต้องการบุญตั้งอยู่ในกุศลยยอมเจริญมักเพื่อบรุอมตะผู้นั้นบรรลุธรรมอันเป็นสาระยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไป ยอมไม่หวั่นไหวเมื่อมัจจุราชมาถึงว่าด้วยผู้มีธรรมะเป็นผู้มีท ร, รัพย์มากภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเรากล่าวว่าเป็นผู้มั่งคัง่งมีท ร, รัพย์มากมีโภคะมากมียศใหญ่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 มีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าว่าด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดาภิกษุทั้งหลายองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้คือหนึ่งสัพพุริสสังเสวะการคบหาสัตบุรุษสอง สัทธธรรมสวรนระการฟังพระสัทธธรรม 3. โยนิโสมนสิการการมณสิการโดยแยกคายและสี่ธรรมานุธรรมะปฏิปปิติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้แล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 ซึ่งอยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถีและมาถึงกรุงกบิลพั์แล้วตรัสถามถึงธรรมะที่ได้รับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคภิกษุรูปนั้นจึงถวายพระพรว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อยทิคทาภิกษุผู้สเร็จานาคามีเป็นโอปติกะจากนิพพานในพพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกเพราะโอรัมภากิยาสังโยชน้าประการสิ้นไปมีจำนวนมากกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นอนาคามีนั้นมีจานวนน้อยกว่า ภิกษุผู้เป็นสกัดทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุผู้เป็นสกัดทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปนั้นมีน้อยกว่าภิกษุผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้า พระสังโยชสสามประการสิ้นไปว่าด้วยธรรมทินนะอุบาสกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิ ป, ปตนะมรุกทายวันเขตกรุงพารานสีครั้งนั้นธรรมทินนะอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสกประมาณห้าร้อยคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลดังนี้ว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทโปรดตรำสอนสิ่งนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะทินนะเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนีกอย่านนี้ว่าพระสูตรเหล่าใดที่ประตัาคตตรัสแล้วลึกซึ้ง มีเนื้อความลุ่มลึกเป็นโลกุตตระประกอบด้วยความว่างเราจะเข้าถึงพระสูตรเหล่านั้นตลอดการอยู่ท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้กราบทูลว่าก็ข้อที่ข่าพระองค์ทั้งหลายยังอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรใช้สอยผงแก่นจันทร์จากแคว้นกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินนั้น จะเข้าถึงประสูติ์ที่พระตถาคตตรัสแล้วตลอดกาลนานอยู่นั้นทำได้ไม่ง่ายขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมอันยิ่งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในสิกขาบททั้งห้าเถิดธรรมทินนะเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายพึงสำเนีกอานนี้ว่าเราทั้งหลายจะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์รัรสรู้เองโดยชอบเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคจะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์จะประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิธรรมทินนะ ท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าด้วยอุบาสกป่วยสมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคตรัสเรื่องนี้กับเจ้าสกยาพระนามว่ามหานามะดังนี้ว่ามหาบพิษอุบาสกผู้มีปัญญาในที่นี้หมายถึงอุบาสกที่เป็นโสดาบัน อุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งปลอบใจอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการว่าจงเบาใจเถิดท่านผู้มีอายุท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีเศียที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิอุบาสกผู้มีปัญญา ครันปลอบใจอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการ น, นี้แล้วพึงถามว่าท่านยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่หรือไม่ถ้าตอบว่ายังมีความเป็นห่วงอยู่พึงกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทาความห่วงใยมารดาบิดา หรือไม่ทำความห่วงใยบิดามารดาก็จะตายเหมือนกันเอาเถอะขอท่านจงละความห่วงใยมารดาบิดาของท่านซะถ้าเขายอมรับว่าละความห่วงใยมารดาบิดาได้แล้วพึงถามว่ายังมีความห่วงใยบุตรและภริยาอยู่หรือไม่ถ้าเขาตอบว่ายังมีความห่วงใยอยู่ก็พึงกล่าวว่าท่านภูนิรทุก ผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะห่วงใย ห, หรือไม่ห่วงใยบุตรและภริยาก็จะตายเหมือนกันขอท่านจงละความห่วงใยบุตรและภริยาของท่านซะถ้าเขายอมรับว่าละความห่วงใยบุตรและภริยาของเขาแล้วพึงถามเขาว่าท่านยังมีความห่วงใยกามคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือไม่ ถ้าเขาตอบว่ายังเป็นห่วงอยู่พึงกล่าวว่ากามอันเป็นทิพยังดีกว่าและประนีตกว่ า, า, า, า, ก, ออ ก, า ก, กามอันเป็นของมนุษย์ขอท่านจง ร, รากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชเถิดเมื่อเขารากจิตออกจากกามอันเป็นของมนุษย์แล้วพึงกล่าวว่าหมู่เทพชั้นดาวดึง ยังด like, ีกว่าและประนีดกว่าหมูเทพชั้นจาตุมหาราชทขอท่านจงพระจิตจากหมูเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วน้อมจิตไปในหมูเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขาพระจิตจากหมูเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วพึงกล่าวว่ามูเทพชั้นยามายังดีกว่าและประนีดกว่าหมูเทพชั้นดาวดึงและโดยในยะเดียวกันมูเทพชั้นดูสิษ เทพชั้นนิมมานรดีชั้นปริณิมิตาวะสวรตีจนที่สุดคือพรหมโลกยังดีกว่าและประนีตกว่าขอท่านจงน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขาพรากจิตออกจากหมู่เทพและน้อมจิตไปพรหมโลกแล้วพึงกล่าวว่าแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนับเนื่องด้วยสักกายะ คืออุปาทานขันห้าประการเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากปรมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในส ก, กายะนิโรธคือความดับกายของตนเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากโรมโลกแล้วผมนำจิตเข้าไปในส ก, กายะนิโรธอยู่แล้วมหาบพิษอุบาสก ผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะอัตมาภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างอะไรกันเลยคือหลุดพ้นด้วยวิมุติเหมือนกันว่าด้วยธรรมะเพื่อทำให้เป็นอริยะภิกษุทั้งหลายธรรมะสี่ประการนี้ บุคคลเจริญทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลยอมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งสกะทาคามีผลอนาคามีผลและอารหาัตตผลธรรมะสี่ประการนั้นคือสัพพุริสังเสวะการคบหาสัตบุรุษสัทธรมาสวนะการฟังพระสัทธรรมโยนิโสมนสิการ การมนาสิกาโดยแยกคายธรรมานุธรรมะปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบูนแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความมีปัญญามากเพื่อความมีปัญญาแน่น เพื่อความมีปัญญาไพยบู์เพื่อความมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาหาประมาณไม่ได้เพื่อความมีปัญญาดุดแผ่นดินเพื่อความมีปัญญาหลากหลายมีปัญญาเร็วมีปัญญาฉับพลันมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญากล้าภิสษุทั้งหลายธรรมะสี่ประการนี้ ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อความมีปัญญาชํแระ ก, กิเลสจบโซตาปฏิสังยุต์หมายเหตุผู้อ่านสำหรับความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นความจริงคือบทสวดอิติปิโส ท, ที่คนไทยส่วนใหญ่สวดกันนะครับ แต่เรามักสวดแล้วไม่เข้าใจไม่แปล ى, และคิดว่าเป็นคาถาคลังศักดิ์สิทธิ์ความจริงแล้วข้อนี้ก็ตรงกับในบทสวดของรัตนสูตรนะครับคือการยึดมั่นเลื่อมใสในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ที่เกิดจากการท่องบนซ้ำไปซ้ำมาด้วยความเข้าใจสังยุทธนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเมื่อจิตมีความทราบซึ้งเข้าใจระลึกถึง พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณซึ่งก็คือคำปลของบทสวดในบทอิติปิโสดังนั้นจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าอานิสงฆ์ของการสวดมนต์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การสวดแล้วคิดว่าเป็นบทที่ขลังสวดแบบปลาไม่ออกแล้วคิดว่าจะโชคดีจะกําจัดโรคร้ายจะกําจัดทุกข์ภัยได้แต่ความจริงคือการน้อมจิตระลึกถึงบุญคุณถึงพระคุณ เชื่อมันในพระปัญญาตรัสรู้เชื่อมันในพระธรรมที่นำพ้นทุกข์เชื่อมันในพระอริยสงฆ์จิตที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงนั้นจะเป็นจิตที่มีพลังและจิตที่มีพลังย่อมส่งผลดีต่อร่างกายและเกิดอนิสงส์มหาศาลตามที่ได้พัฒ น, นากันไว้อย่างมากมายนะครับ หากเรายังสวดมนต์ด้วยการคิดว่าสวดแล้วจะโชคดีจะร่ำรวยจะหมดทุกข์หมดโศกโดยที่เราไม่เคยแปลไม่เคยเข้าใจการสวดแบบนี้เป็นศินลป ะ, ะ, ะปรามาศเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่นำพาเราห่างไกลจากหลักเหตุผลและบรรลุธรรมไม่ได้ทำให้การสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์งน้อยลงไปด้วยนะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย